เดี <laughs> <H homepage. S 2> ๋ยวันนี้ตึมบายนะครับจะได้ฝึกอยู่กับตัวเองมันก็เป็นเรื่องตะบกนะเราเป็นหียอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้เมันหมายว่ารวมๆนะความทุกข์ของคนเราเกิดเพราะการที่เราอยู่กับตัวเองไม่ได้นะเราเบื่อ เลื่อตัวเองหรือเราไม่ชอบตัวเองนะมันก็เลยอยู่กับตัวเองไม่ได้เป็นไหมแต่ <c oughs> ไม่มีอะไรทำใช่จิตมันจะมันจะมันจะสั่งมันจะคิดให้ไปทำอย่างอื่นนะ้องว่างก็ต้องไปทำนั่นทำนี่มันจะได้ มันไม่อยากอยูอย่กับตัวเองเฉยธรรมดามาว่าที่จริงถ้าคนอยู่กับตัวเองได้นะความทุกข์จะน้อยหรือว่าจะไม่มีก็ได้นะการปฏิบัติธรรมจริงก็ปึกในการหยู่ตัวเองนี่แหละนะามาว่าอยู่กับตัวเองหมายคอามว่าเราสามารถอยู่ได้แม้ร่างกายมันจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่หรือจิตใจมันจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ เราอยู่ร่วมกันกับร่างกายแบบนี้ได้กับจิตใจแบบนี้ได้หมายว่าธรรมะไม่ใช่ว่าคือการี่ต้องให้สิ่งนึ่งหายเราถึงจะไม่ทุกข์หรือให้สิ่งมนึ่งหายแล้วถึงจะมีความสุขถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนสมมติร่าง ก, กายเราไม่สบายเนาะคนส่วนให ญ, ญ่เวลาปล่วยสิ่งสําคัญที่คิดก็คือทําไงเราถึงจะหายจากโรค เราคิดว่าเมื่อเกาหายจากโรคก็ถึงจะไม่คุกข์ถึงจะสบายเป็นปกติแต่แน่นอนโรคบางอย่างมันรักษาทัดเดียวก็หายแต่โรคกหลายอย่างก็รักษาเป็นหลายเดือนหลายปีถึงจะหายหรือโรคอีกหลายอย่างรักษาก็ไม่หายใช่ไหมแต่มาว่าแต่ธรรมะจริงๆคือเราอยู่คือไม่ต้องรอว่าโรคหาย เราถึงจะไม่กุกแต่ตอนนี้โลกยังอยู่แต่เราก็อยู่กับโ่ะหายก็ได้ไม่หายก็ได้แต่ไม่ทุกใจนะมันจะสบายตอวแต่นี้แหลนะเช่นร่างกายเราเช่นแม้เราไม่เปิดเป็นโลกนะแต่แต่เราก็แก่ขึ้นทุกวัน <c oughs> ใช่ไนหะพอแก่ขึ้นร่างกายก็เสื่อมลงโะคมั น, ะนยังรักษาได้ง่ายกว่าความแก่เนาะสี่งของแก่รักษาไม่ได้นะ คือรอดธรรมะคือเราก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายแต่ก็แข็งแรงบ้างแต่ก็ไม่แข็งแรงบ้างแก่ขึ้นไปเรื่อยบ้างมันไม่หลายๆอย่างเราไม่สามารถเปลี่ยนเหตุเป็นปัจจัยพวกนั้นได้นะที่ทําให้ร่างกายมันมันทุกข์มากกว่าเดิมหรือว่าไม่สะดวกเท่าเดิมแต่การที่เรามีธรรมะคือเราอยู่กับมันได้โดยที่เราไม่ทุกข์กับมัน มาว่าธรรมะคือแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องรอไปมุ่งเป้าที่ทำให้ร่างกายมันดีนะถึงจะมีความสุขหรือถึงจะไม่ทุกข์ น, นี่คือรวมทั้งเรื่องของที่เรื่องของจิตใจก็เหมือนกันนะ <c oughs> คืออยเช่ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับในครอบครัวปัญหาในที่ทางนาน หรปัญหาระดับโลกเนาะบางคนก็แบกปัญหาระดับโลกอทํา ง, งานเรื่องสงังคมเรื่องอนะไรเนี่ยก็แบกปัญหารเรื่องที่ใหญ่ๆเป็นตัวบางคนก็คิดว่างานเสร็จเราถึงจะสบายถึงจะมีความสุขใช่ไหมหรือแก้ปัญหานี้เสร็จก่อนเราถึงจะสบายใจแต่ธรรมะจริงๆคือมาว่านะคือมันจะเสร็จไม่เสร็จ แก้ได้หรือแก้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องนะึ่งเรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในใจคือเราอยู่กับมันให้ได้ในแต่ ล, และขณะขณะที่แก้ปัญหาอยู่เราก็รักษาใจของเราไปด้วยนะแก้ไปแล้วอ่ามันปัญหามันเรียบร้อยดีหรือแก้ไปแล้วมันยังมีปัญหาอื่นมาอีกอยู่เราก็อยู่กับมันได้หมายว่าเนะี่ยถ้าเราอยู่กับเช่นร่างกายที่ที่มันมีปัญหา หรือเกี่ยวกับสภาพแวดล้องที่อาจจะส่งผลให้จิตใจมีปัญหาอะแต่ถ้าเราอยู่กับมันได้นะมันจะไม่ถูกรงทั้งที่จริงแม้แต่เราภาวนาอาจจะไม่มีงานยืนมาวุ่นวายนะแต่ปัญหาที่นักภาวนาจะไปวุ่นวายกับมันคือความคิดฮเพราะบางทีนักภาวนาอยากให้มันสงบอยากให้มันดีอยากให้มันสบายนะ ไม่อยากเครียดนะอยากให้มันดีอยากให้รู้ตลอดบางทีเราก็จะเถอไปไปวุ่นกับความคิดเราจะอยู่ยังไงให้เห็นว่าคิดก็เรื่องของมันเกิดอารมณ์อะไรก็เรื่องของมันเราจะอยู่กับมันให้ได้นะไม่หนีมาแล้วก็ไม่ต้อง ร, รอว่ามันจะต้องหายนะถึงจะถึงจะมีความสุขนะเอกว่าตักจรินของการมีสติคืออยู่ อยู่กับอยู่กับสิ่งที่เราเป็นตอนนี้แหละนะไม่ว่าจะร่างกาหรือจิตใจอย่างไรก็แล้วแต่อยู่กับมันให้ได้เธอจะเห็นว่าไอสิ่งภายนอกอนะ่ะถ้าเรามีสติจริงๆมันมันเข้าไม่ถึงเข้าไม่เห็นใจนะหรือถ้าสติมันยังตัวเราไม่พอขนาดนั้นมันอาจจะเข้าไปเป็นพอเข้าไปเป็นปุ๊บสติรู้ทันมันมันออกมาออกมา มาเคยเกลียดเทียบเยู่ที่หนึ่อ่ะเหมือนมาว mm ่าที่จริงมันเหมือนแม่เหล็กนะสมมติสมมติอันนี้ขั้วบวกกับขั้วลบนะสมมติโครตสีสมมุตินะโครตสีมันดูดกันนะเนี่พวกที่จริงพอมีสติมันเหมือนพิษพอพิษก็มันดีดออกแต่ที่จริงแต่ก่อนมันเหมือนมันดูดนะมันดูดนะเวลาเรามีปัญหามันก็ดูดให้เกิดเป็นความทุกข์ แต่พอเรามีสติปุ๊บม like ันมันดีดออกนิ okay. ่จะมันเหมือนแค่พิษแค่พ so ิษมารู้สึกตัวมันเหมือนมันดีดออกสติถ้าเราหลงไปมันก็หลงมันก็ติดนเนาะเราก็ยึดแต่พอเรารู้สึกแล้วปุ๊บมันมันดีดออกยกกันได้นี่เราก็ทําแค่นี้นะแม้ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แต่เราก็ยังสามารถอยู่กับปัญหาได้อย่างไม่ทุกนี่ติดการอยู่กับตัวเอง อยู่กับร่างกายที่มันเป็นอะไรก็ก็เรื่องของมันหรือว่าสภาพแวดล้อมมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นมันก็เรื่องของมันหรืออารมณ์ที่มันฝุดขึ้นมาใน ใ, นใจมันก็เรื่องของมันแต่เราอยู่กับมันให้ได้อย่างมีสติเนี่ยคือสิ่งที่เราจะทําตรงนี้นะถ้าเราทําตรงนี้ได้คือการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดนะเตรียมพร้อมในวันที่เราแก่มากขึ้นเชื่อเด็กจเอินน้อยอลง วันที่เราไม่สบายนะเป็นโรงแรงนะหรือวันสุดท้ายที่เราจะตายต้องสูญเสียทุกอย่างไปนะ่เราจะอยู่กับสภาวะพวกนั้นได้คนที่อยู่กับพวกนี้ได้มันเหมือนฝาดที่จะไปสงบไป ด, ไดีได้มากกว่าคนที่ไม่เคยฝึกมา ก, ก่อนนั้นการฝึก ข, ของเราสำคัญสงคัญมากอาจจะไม่ต้องรอวันที่เราเป็นมากๆนะั้นแต่ทุกวันที่เรากระทบนะคือเราอยู่กับมัน มาแล้ชอบอะ่ะเมื่อตอนชาก็อธิบายกลุ่มคนใหม่ออกมาว่าหลวงพ่อเเขียนก่นเปรียบเทียบเหมือนว่าเราอยู่เราคมณพ่อเราอยู่ในมุง้งเราอยู่ในมุง้งเนี่ยอยู่มาบินมานตะมากัดเราเนาะได้กิ่นคนะแต่มันมาเจอมุงมันเข้า ม, ามุงไม่ได้เราอยู่ในมุงเน่ยเราไหวก็ยอ่อยุงเน่ะยุงมันทาอะไรไม่ได้ มันเหมือนสติประมาณนั้นนะเวลาเรามีสติมันอารมณ์มันจะเข้ามาแต่มันเข้ามาไม่ถึงใจนะเข้ามาไม่ถึงใจก็ก็เห็นอยู่ก็ยุงมันบินได้ยินเสียงอยู่แต่มันเข้ามาไม่ถึงตัวเราเนี่ยมันมันสนุกะอันนี้ก็เหมือนกันนะจิตใจที่มีสติเวลาอะไรมามันกระทบอะแต่มันเข้าไม่ถึงเนี่ยมันมันเป็นสภาวะแาบนั้นหมายว่าเอ ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแต่มันเหมือนเรามีเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะนี่แต่บางคนอาจจะบางทีอาจจะเผลอเปิดให้ยุงเข้ามาบ้างแต่พอเรารู้ทันเหมือนเราปัหรือจับมันออกไปนะเนี่ยฝึกแบบนี้นะเราก็อย่าไปวางใจดีๆอย่าไปดำคามกับอารมณ์นะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือความคิดที่มันฟุง้งมองให้เป็นเรื่องธรรมดามอง ไม่เป็นไรหนะ้าที่เราคือสร้างสติไอตัวความคิดความฟุ้งมันก็เป็นเรื่องของมันนะเดีย๋ยวไปเดีย๋ยวไปคิดว่าเราต้องไปจัดการมันนะเราจัดการใจเราเนี่แหละที่ไม่ให้ไปรําคาญมันนะอยู่กับมันให้ได้ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้อยู่กับอารมณ์ต่างๆได้เราจะอยู่กับทุกที่ได้นี่คือสุดยอดของการภาวนาเนะนะ สองสามชั่วโมงนะเราอยู่ตึกอยู่ตัวเองให้ได้นะไม่ว่ามันจะง่วงไม่ว่ามันจะฟุง้งหรือไม่ว่ามันจะสงบนะก็คำว่อาอยู่กับมันี้ได้คืออยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งประมันไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบนะในธรรมะนี้ไม่ใช่ว่าที่เราไม่เอาอความฟุ้งความง่วงแต่เราเอาความสงบไม่ใช่นะ หรือความสุขตรงนี้เวลามันสุขแล้วก็แค่รู้อย่าไปเข้าไปยินในความสุขแล้วมาสงบเราก็แค่รู้อย่าเข้าไปอยู่ในความสงบรวมทั้งด้านด้านลบก็เหมือนกันนี่คือทั้งทั้งสองด้านมันจะไม่มันจะไม่เข้าไปไม่เข้าไปเต็มเตนมตรง้องดูมันนะดูเหมือนเรารู้สึกถ้าเรารู้สึกามันจะเหมือนมันมันรู้ว่า มันเหมือนกรทบกระทบแลมาออกกระทบแล้วออกดูแล้วก็จบดูแล้วก็จบคล้ายๆถ้าดีๆนะเหมือนเหมืนมาพูดนะฟัแลแต่มาพูดทีแล้วประโยคนั่นแหละอย่าไม่แต่ถ้าโยมมีติดใจประโยคเมื่อเขาพูดนะไปคิดให้ประโยคคิดที่เข้าใจที่มาพูดเมื่อนาทีที่แล้วเนี่ยที่พูดตอนเนี้โยมจะไม่ได้ยินหรือโยมจะพยายามคิดล่วงหน้าที่อื่นโยมก็อาจไม่ได้ยินที่มาพูด ความทีละทีละครั้งทีละครั้งอันนี้ก็เหมือนเป็นการเหมือนความเปลี่ยนในเองทีละครั้งทีละครั let let ้งทีละครั้งนะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปยังไม่เกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะก็หนักก็ลองไปฝึกกันดูนะฝึกเดินบ้างนั่งบ้างนะเดี๋ยวสักบัสามครึ่งก็ถ้าใครมีสภาวะอะไรเดี๋ยวเราค่อยมารายงานกันนอกจากถ้าใคร สองไซส์จริงๆติดขัดจริงๆก็คุยแลวเ็นยนก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวจมากับฉันตูมก็ได้ปฏิบัติเป็นเพื่อนพวกเราแล้วก็ฉันฉันไหนจะได้นะไปหาที่เดินที่นั่งแต่ยืนบ้าน่ะเด็นอนนะแอมสบายบางทีพวกเราสบายสบายนะ สบายต็วอยู่ที่วัดมากเนะี่วัดบางทีก็ร้อนมากบางทีก็ยุงหันนะที่นี่เนี่ยร้อนก็ไม่ร้อนยุงก็ไม่มีเปยนสบายอือวือสัประยะมากนะสัประยะกนาะหาที่เดินที่นั่นกันนะ